น้องๆกำลังเป็นนักศึกษาเป็นนิสิตนะครับน้องๆ อ, อยู่ในกรอบอยู่ในหลักสูตรนะมีครูมีพี่มีนิชาการแล้วมีบทเรียนนะครับในการที่จะคอยกากับหรือว่าค่อยๆป้อนให้กับเราดังนั้นพวกเราเนี่ยเป็นผู้ที่ได้เปรียบที่จะได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้ไว้ก่อนแล้วเมื่อถึงเวลาที่เราออกสู่สงครามชีวิตเราจริงๆเนี่ยนะเราจะมีอาวุธนะครับในการที่จะใช้ไปประกอบอาชีพ จะที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่ต้องทุกข์เกินไปนะครับไม่ต้องทุกข์เกินไปน้องๆกาลังอยู่ปีสี่กลางเทอมใช่ไหมตอนนี้อายุเฉลี่ยโดยทั่ ว, วไปนี่ประมาณเท่าไหร่ฮะถ้าปีสเนี่ยนะถ้าเข้ามหาวิทยาลัยอายุประมาณสักสิบเ็ดสิบแปดนะฮะก็น่าจะอยู่ในเกมประมาณสักยนะี่สิบเนาะตอนนี้ผมเนี่ยประมาณ4ี่สิบเราคงไม่ห่างกันเกินไปนที่จะเรียกว่าน้องนะฮะแล้วประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยนะฮะ ก็อยากจะเอามาถ่ายทอดให้กับน้องๆฟังนะก็คงจะไม่แตกต่างกันมากระหว่างนิสิตแพทย์กับนิสิตธันมดแพทย์นะครับเพราะว่าบรรยากาศในการเรียนต่างๆเนี่ยก็คงจะไปแนวๆเดียวกันนะฮะในสมัยผมที่ผมเรียนแพทย์เป็นนักศึกษาแพทย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยนะฮะสปีแรกเป็นเพคลคินิคใช่ไหมฮะปีส่เนี่ยขึ้นวอร์ดนะฮะขึ้นบอร์ดดูคนไข้นะครับทดลองวิชาลองวิชานะครับก่อนที่จะขึ้นบอร์ดเลยนะฮะ ต้องมีการส่งเวนเป็นไหมนิสิตธรรมดแพทย์เป็นไหมต้องมีการส่งเวนนะส่งเวนโดยอะไรบ้างก็คือรุ่นพี่ส่งเวนนะครับหรือว่าแม้แต่รุ่นเดียวกันที่เขาเทินไปวอดอื่นนะฮะแผนกอื่นแล้วส่งเวนการส่งเวนก็คืออะไรให้เราเตรียมตัวให้เราเตรียมตัวว่าถ้าเราขึ้นไปแผนกนี้นะครับตึกนี้ห้องนี้เนี่ยคุณจะต้องทําตัวยังไงบ้างนะฮะเช่นว่าอะไรอาจารย์บนนุนดีนะดุมากนะ เธอต้องเตรียมตัวให้ดีนะหรืออาจารย์คนนี้ใจดีมากสบายสบายอะไรอย่างงี้นะหรือว่าถ้าไปคนนี้นะถ้าไปห้องห้องนี้นะจะต้องเตรียมตัวยังไงอะไรอย่างงี้นะอาจารย์องนี้นะขี้หลีมากเลยเจ้าสาวต้องอยู่ข้างหน้าไว้ก่อนนะผู้ชายเนี่ยต้องอยู่ข้างหลังห้ามอยู่ใกล้นะหรือว่าอาจารย์คนนี้นะชอบหนุ่มๆนะให้คนนี้หนุ่มๆอยู่ข้างหน้าเวลาเดินราวกันเนี่ยนะไอ้ผู้หญิงก็อยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยนะเตรียมตัวไว้ก่อนนะเตรียมตัวไว้ก่านนี่คือการส่งเวรนะหรือว่า ไปนะพยาบาลตึกนี้ต้องระวังนะรู้พี่คนนี้นะเขาชอบดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะก็คือการส่งเวรเพื่อให้น้องๆเนี่ยเตรียมตัวเพื่อที่จะเวลาขึ้นบอร์ดเนี่ยหรือว่าเวลาไปปฏิบัติงานเนี่ยจะไม่มีปัญหามากเกินไปเพราะว่าสภาพเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับครูบาอาจารย์รู้สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงน้องๆจะต้องศึกษานะครับ น้องๆจะต้องศึกษาจริงๆแล้วหลักสูตรของชีวิตที่แท้จริงเนี่ยนะหลักสูตรของการเรียนแพทย์เรียนธนแพทย์เนี่ยเป็นหลักสูตรเหมือนกับเมื่อจบแล้วเนี่ยเราจะเอาไปประกอบอาชีพแต่จริงๆแล้วในหลักสูตรของแพทย์หรือว่าธนาแพทย์เนี่ยมันมีหลักสูตรอีกชนิดหนึ่งนะฮะที่แฝงอยู่นะฮะแล้วบางทีเรามองข้ามกันไปก็คือหลักสูตรของชีวิตนะครับหลักสูตรของชีวิต ช่วงชีวิตของเราที่จะต้องทําอาชีพเป็ น, นทันตแพทย์เนี่ยนะในช่วงสปีร่วมอีก2ปีครึ่งหลังจากนี้ไปเนี่ยก็คือแบบฝึกของการไปประกอบอาชี พ, พทันตแพทย์นั้นอาชี พ, พทันตแพทย์เนี่ยก็เป็นอันหนึ่งนะแต่อีกอาชีพหนึ่งที่เราต้องทํานะครับก็คืออาชีพของชีวิตของเราน้องพอจะเข้าใจความหมายนี่ไหมในขณะที่เราทํางานเนี่ยนะในขณะที่เราเรียนอย่างอื่นเนะี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ด้วยก็เรื่องราวของชีวิต นะครับถ้าเราทำตัวนื้อมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมเช่นอาชีพจริงๆของเราก็คือนักศึกษาใช่ฮะแต่ถ้าเราไปทำตัวเป็นผู้พิพากษาจะถูกต้องไหมไม่ถูกต้องเรามีอาชีพจริงๆก็คือนักศึกษานักศึกษานะฮะก็คือมีอะไรเนี่ยคุณมีหน้าที่ในการศึกษานะครับแต่ถ้าเราทำหน้าที่ผิด เรามีหน้าที่ในการไปพิภากษานะครับหรือไปวิภาษ์วิจารณ์นะเหมือนเวลาเราดูหนังสักเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับเวลาดูหนังเนี่ยคนที่วุ่นวายมากที่สุดเลยก็คือใครผู้กํากับใช่ไหมผู้กํากับนะบต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะเพื่อที่จะทำให้ถูกใจผู้กํากับนะบเพื่อให้อยากให้มันดีออกมาอย่างที่ตัเองต้องการกับอีกคนหนึ่งพวกที่มานั่งดูหนังไอ้พวกนี้อะไร วิจารณ์ใช่ไหมฮะนักวิจารนะไอ้ยอย่างงี้ไม่ดีเลยฉากไม่ดีเลยแสงไม่ดีเลยสีไม่ดีเล ย, เลยอย่างนี้เป็นต้นแสดงแอคติ้งไม่ค่อยเข้าท่าเนี่ยเขาเรียกนักวิจารนะแล้วมีอีกพวกหนึง่งเป็นพวกนักตัดสินนะอย่างงั้นดีอย่างงี้ใช่อย่างางั้นถูกอย่างนี้ผิดอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเรียกนักตัดสินอันนั้นคือเรื่องราวของหนังนะแต่ในชีวิตของจริงๆของเรานะฮะคล้ายๆกัน ถ้าเราทำตัวเป็นนักศึกษาจริงๆนะครับความทุกข์เราจะน้อยแล้วประโยชน์ของเราเนี่ยจะได้สูงสุดในความหมายที่ผมกาลังจะสือ่อคือว่าอย่าทำตัวเป็นผู้วิพากษาอย่าทำตัวเป็นผู้กํากับอย่าทำตัวเป็นผู้วิพาก์วิจารณ์หนัง mm. เหตุการณ์จริงก็คืออะไรเหตุการณ์จริงก็คือว่าเวลาเราขึ้นทางานในวอร์ดหรือว่าแผนกต่างๆเนี่ยน ะ, ะเรามีบุคลากร แผนกอื่นๆในสาขาวิชาชีพของเราอีกหลายสาขาใช่ไหมฮะที่ทำงานกันอยู่ในแต่ละแผนกเนี่ยตั้งแต่อาจารย์นะครับหรือเป็นรุ่นพี่นะครับหรือคนไข้หรือแม้แต่คนทำความสะอาดเช็ดพื้นกวาดถูต่างๆทุกคนเนี่ยเป็นหน่วยหนึ่งนะในแผนกที่เรากำลังไปศึกษาอยู่เราะั้นถ้าเราไปคิดว่าเราเนี่ยเป็นนักศึกษา รเรานี่เป็นนิสิตเราใหญ่ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะหรือว่าเราเล็กเกินไปนะฮะเราไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่มันไม่ถูกใจเราแล้วเนี่ยเราจะคอยตัดสินผู้พิพากษาใช่ไหทำไม่ถูกใจเราอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีน ะ, ะพออะไรที่มันดีถูกใจเราเราจะว่าอันนี้มันดีเนี่ยอาการอย่างนี้เนี่ยฮะพวกเราเนี่ยให้หลีกเลี่ยงนะครับครูบาอาจารย์พูดดุนะครับหรือนะว่ามีอะไรที่มันไม่ถูกต้องเหมาะสมที่เราเห็น หรือว่าแม้แต่ว่าเป็นสิ่งที่เราพอใจหรือไม่พอใจนะใหเราวางใจเป็นกลางกลางศึกษาในรายละเอียดพวกนั้นดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรานะครับตรงนี้สำคัญนะ ค, ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะตอนทำงานนะก็เกิดขึ้นจากการที่เราพยายามที่จะไปตัดสินอะไรสักอย่างหนึ่งตามความเห็ น, หนของเรานะฮะทั้นในช่วงที่เราเป็นนักศึกษาเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกที่จะเป็นนักศึกษาจริงๆนะ แล้วทำตัวเป็นผู้พิพากษาไว้แต่แรกเลยเนี่ยมันจะมีปัญหามากตอนหลังจากที่เราออกไปทำงานนะครับนั้นนักศึกษามีหน้าที่ในการศึกษานะครับเรียนรู้ทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตถูกก็เรียนรู้เรียนรู้เพื่อที่จะอะไรเรียนรู้เพื่อที่จะทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปทำให้มากขึ้นสะสมให้มีมากขึ้นผิดก็เรียนรู้เรียนรู้เพื่ออะไรเรียนรู้เพื่อที่จะไม่ทามันนะครับเช่น คนที่เป็นอาจารย์ถ้าทําอย่างนี้กับเราเราจะทําอย่างนี้กับลูกศิษย์ถ้าเราเป็นอาจารย์ต่อไหมรุนพี่ทํากับคนไข้อย่างนี้ในสิ่งที่เราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องเหมาะสมเราก็เรียนรู้แต่เรียนรู้ที่จะไม่ทําอย่างนั้นอีกอย่างนี้นะฮะพัฒนาการจึงจะดีขึ้นนะครับพัฒนาการจึงจะดีขึ้นฉะนั้นอุปนิสยัยล้วนนิสัยของการที่ต้องทําตัวเป็นนักศึกษาเนี่ยน ะ, ะขอให้พวกเราปลูกฝังนิสัยอย่างนี้นะฮะหรือว่าความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยตลอดชีวิต ทังชีวิ ต, ตของเราเนี่ยนะฮะอย่าอย่าไปเป็นผู้วิพากษาอย่าไปเป็นผู้วิพากวิจารณ์อย่าไปเป็นผู้กํากับนะแต่ถ้าเราเป็นนักศึกษาตลอดชีวิตนะเราจะสนุกมากกับการมีชีวิตเพราะทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานะมันจะมีสิ่งที่เราพอใจก็มากไม่พอใจก็เยอะเป็นไปนอย่างที่เราคาดหวังก็มากไม่เป็นไปนอย่างที่เราคาดหวังไว้ก็มากนะครับเพฉะนั้นถ้าเราวางใจของเราไม่เป็นนะครับ ใจเราเนี่ยมันจะสวิงมากเลยอารมณ์ของเราจะสวิงมากแต่สังเกตใจเราเพราะมันมีผลต่อความสุขหรือความทุกข์ในชีวิตของเรานะครับนั้นน้องๆกำลังขึ้นคลินิกเนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังเรียนรู้เนี่ยขอให้มันเป็นการเรียนรู้นะครับตรงนี้สำคัญมากนะฮะขอให้ทุกอย่างเป็นไปเพื่อการเรียนรู้ผิดก็เรียนรู้อย่างที่บอกถูกก็เรียนรู้นะฮะถ้าเราทาอย่างนี้ ปูกฝังพฤติกรรมอย่างนี้ไว้ว่าเราจะเป็นนักศึกษาชีวิตเนี่ยนะมันจะทำให้เราเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยนะโลกที่มันกว้างใหญ่ไพศาลมากเนี่ยมันจะมีการศึกษาที่ต่อเนื่องเราจบปริญญาตรีใช่ฮะทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตเนี่ยวิชาของทันตแพทย์จริงๆก็ยังไม่จบใช่ฮะเพียงแต่ว่าเขาเตอร์ซิฟิเคตว่าคุณเนี่ยมีคุณสมบัติพอที่จะไปรักษาคนไข้ได้ระดับหนึ่งแต่ ในตัววิชาของวิชาทันตแพทย ศ, ศาสตร์เองจริงๆเนี่ยก็ยังมีรายละเอียดปีกย่อยที่ถึงแม่รุ่นพี่เราต้องกลับมาเรียนต่อนะฮะในเชเพเชียลิสต์ต่างๆนะครับแล้วยิ่งที่สําคัญคืออะไรรู้หรไหมฮะปริญญาของชีวิตอีกใบนึงเนี่ยที่น้องๆต้องค้นหากันเอาเองเราได้ปริญญาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมาเนี่ยนะก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะจบหลักสูตรของชีวิตใช่ไหมฮะแต่ปริญญาของชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่เรากําลังศึกษาเนี่ย แล้วต้องไปเรียนต่อข้างนอกอีกดังั้นการที่เราสร้างพฤติกรรมที่เป็นนักศึกษาเข้าไว้เนี่ยนะฮะจะทําให้เราสามารถเรียนต่อเนื่องได้ทั้งชีวิตเนื้อออกไหมฮะถ้าเราเรียนจบว่าจบแพทย์ชั้นเก่งละชั้นแน่ละอย่างเงี้ยนะฮะพวกนี้ออกไปนะฮะทุกมากทุกมากน ะ, ะอย่างผมเนี่ยนะฮะเรียนจบมาแพทย์เป็นแพทย์หกปีตอนแรกก็ว่าดีแล้วนะทํางานไป แต่ทำนาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าความรู้ของตัเองความสามารถของตัวเองในการรักษาคนไข้เนี่ยมันมีขีดจํากัดนะผมเคยผ่าตัดคนไข้ตอนสมัยอยู่โรงพยาบาลชุมชนเนียนะผ่าตัดไส้ติ่งนะผ่าไปผ่าไปาไปรากฏว่านะหาไส้ติ่งไม่เจอพาอยู่2ชั่วโมงสมชั่วโมงนะโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วอันตรายดมยาสลบนานเกินไปทํำยังไงทําให้คนไข้ตื่นนะครับแล้วก็แพ็กแผลเนี่ยนะแล้วก็ส่งไปโรงพยาบาลจังหวัด แล้วก็ตามไปดูเขาผ่านะไปตามไปดูหมอผ่าตัดเขาทำมันก็เลยฝังใจว่าเฮ้ยเนี่ยการรักษาหรือว่าความรู้ของเราเนี่ยมันยังมีความจํากัดอยู่เลยนะเดี๋ยวไปเรียนต่อเถอะนะเรียนต่อมาเป็นหมอผ่าตัดนี่เรียนต่อปเป็นหมอผ่าตัดเนี่ยมันเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยก็เหนื่อยยากก็ยากนะแล้วก็โดนอาจารย์ดุเรื่อยใช่อดหลับอดนอน ในขณะที่เรากําลังทํางานนี้ไปด้วยความยากลําบากเนี่ยเมื่อเราจบออกมาเนี่ยเราจะมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตัวเองมากมีความภาคภูมิใจในความสามารถของตัวเองมากแล้วรู้ไหมว่าไอ้ความภาคภูมิใจอันนั้นเนี่ยมันมีผลเสียตรงไหนมันกลับมาเล่นงานเราด้วยความที่เราเนี่ยยึดมั่นถือมั่นในความสามารถของเราเนี่ยนะเราจะมองเห็นคนอื่นเนี่ยนะฮะสมมติวแบบ่าเราเป็นหมอผ่าตัดเนี่ยถ้าเป็นหมอระดับที่ไม่ใช่เป็นระดับบอร์ดด้วยกันเนี่ยนะเราจะ รู้สึกถึงอาการเหยียดเหยียดไหมฮะพอจะเข้าใจความรู้สึกนี้ไหมรู้สึกเหยียดเหยียด <c ười> คือไม่ค่อยเลสเต็กเขาอะนะฮะมันจะมีความรู้สึกอย่างนี้นะฮะนั่นทําไมหมอถึงต้องเรียนต่อกันมากเลยเพราะว่าความรู้สึกที่ความภูมิใจในความสามารถที่ตัวเองได้จบบอร์ดนะเป็นมีวุฒิบัตรมีอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันสร้างความภาคภูมิใจให้กับเราแต่ผลจากการที่เรามีความภาคภูมิใจนั้นเนี่ยผลของมันก็คือตัวตนสูงขึ้น ความเป็นตัวตนสูงขึ้นและไอ้ความเป็นตัวตนนี่แหละครับน้องๆมันทำลายตัวเราเองมันทาลายคุณภาพชีวิตมันทำให้เราเกิดความทุกข์มากกว่าความสุขนะฮะมีใครมาพูดกระทบเราหน่อยนะฮะมันเดือดเนื้อร้อนใจนะเดือดเนื้อนะร้อนใจนะครับหรือว่าแม้แต่เราทำผ่าตัดไปนะฮะรู้สึกว่าคนไข้เราจะมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยนะเราจะรู้สึกเสียเซลล์นะเข้าใจเสียเซล์ไ นี่แหละไอ้ตัวเซลล์คอนฟ idence หรือว่าความเชื่อมัน่นหรือว่าความยึดมัน่นถือมั่นในตัวเองนี่แหละพวกนี้แหละครับที่มันทําให้เราเนี่ยมีความทุกในการทํางานมั่นน้องๆเนี่ยเรียนเพื่อออกไปทํางานเพราะนั้นน้องเรียนวิชาเพื่อเอาความรู้ไปทํางานแล้วให้ทําเกิดมีความสุขแต่ถ้าน้องลืมวิชาของชีวิตไปนะครับน้องๆจะขาดความสุขโดยส่วนใหญ่เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าชีวิตข้างนอกเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิต นะครับมันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตการใช้วิชาความรู้ในการรักษาคนไข้เนี่ยจริงๆแล้วเราใช้เป็นพักๆใช่ไหมฮะเราไม่ได้เป็นทันตแพทย์ทั้งวันนะครับเราเป็นทันตแพทย์เป็นพักๆนะฮะเวลาเราอยู่บ้านเราก็ไม่ได้เป็นทันตแพทย์เราอาจจะเป็นลูกเราอาจะมีเป็นสามีอาจจะเป็นภรรยาอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่ใช่ไหมฮเราไม่ได้เป็นทันตแพทย์ตลอดเวลาดังนั้นถ้าเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะอย่างพวกนายทหารต่างๆเนี่ยนะตัวตนเขาจะใหญ่มาก น ะ, กะเกษียณไปแล้วความเป็นทหารเนี่ยยังอยู่เต็มเนื้อเต็มตัวไปหมดเนี่นะทุกอย่างต้องเป๊้เปี้ยเปี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะอาการอย่างนี้เนะี่ยน้องๆ อ, อย่าปลูกฝังทัศนคติอย่างนี้เนี่ยติดตัวออกไปน้องๆพยายามนะฮะพยายามทําตัวเป็นนักศึกษานะครับนักศึกษามีอะไรก็ศึกษานะครับแม้แต่คนงานที่เขากวาดพื้นทําความสะอาดเนี่ยนะเราก็สามารถที่ศึกษาเข า, เขาได้นะฮะ เข้าใจไหมฮะเพราะตอนนี้น้ําท่วมเนี่ยฮะที่สิงห์บุรีที่อ่างทองเนีฮะถ้าท่วมบ้านหมอเนี่ยใครจะมาช่วยกวาดให้เราใช่ไหมฮะขยะที่เน่าเหม็นนะฮะถังส้วมที่มันเต็มเนี่ยนะฮะใครจะมาทําให้เราต้องทําเองนะฮะนั้นวิชาความรู้ต่างๆเนี่ยเราสามารถเก็บเลขผสมน้อยได้ในระหว่างที่เรากําลังอยู่ปีสี่ปีห้าปีหกเนี่ยนะฮะอย่ามุ่งหวังแต่เฉพาะวิชาการความรู้ในวิชาทางทแพทย์อย่างเดียวทุกซอกทุกมุมทุกขณะ ะะทุกบุคลากรที่เราเข้าไปสัมผัสด้วยเนี่ยเราสามารถศึกษาจากเขาได้นะครับเราสามารถศึกษาจากเขาได้วิชาความรู้เขาเป็นยังไงวิถีชีวิตเขาเป็นยังไงยามเนี่ยเขายืนยามอยู่โบกรถอยู่เนี่ยนะฮะหรือว่าเฝ้าประตูยามอยู่เนี่ยเขามีอะไรเขามีเทคนิคยังไงที่จะทำให้แอบหลับได้โดยที่ไม่มีคนรู้อะไรอย่างเงี้ยนะเราก็สามารถศึกษาได้ไม่ต้องนับถึงจากครูบาอาจารย์จากรุ่นพี่ ะับจากรุ่นพี่แล้วที่สําคัญก็คือจากผู้ป่วยผู้ป่วยเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณกับน้องๆโดยเฉพาะนักศึกษาเนี่ยอย่างมากนะครับแล้วจริงๆก็คืออย่างที่บอกถ้าเราฝึกพฤติกรรมให้เป็นนักศึกษาทั้งชีวิตนะผู้ป่วยจะเป็นครูเราทั้งชีวิตถ้าเป็นหมอแล้วคิดว่าฉันแน่กว่าผู้ป่วยเมื่อไหร่เยผมคิดว่าอันตรายมากนะครับอันตรายมากเราต้องเห็นเสมอว่าครูมาหาเราแล้วนะครูเรามาสอนเราแล้ว นะผู้ป่วยทุกคนเนี่ยเป็นครูเพราะอะไรผู้ป่วยทุกคนเนี่ยไม่เคยเหมือนกันเลยไม่เคยเหมือนกันเลยนะฮะแม้ว่าจะเป็นไส้ติ่งเหมือนกันอักเสบเหมือนกันนี่ยแต่ละคนมาเนี่ยไม่เคยเหมือนกันจริงๆนะครับฟันผุมาสักคนอย่าคิดว่าฟันผุเป็นเรื่องที่หมูขี้หมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นนักศึกษานะฮะถ้าเราวิเคราะห์ถ้าเรารู้จักเรียนรู้นะฮะเราจะสามารถเรียนรู้ได้จากคนไข้ฟันผุแต่ละคนละคนละคนว่ามีสิ่งที่มันไม่เหมือนกัน ฉันผมจึงพยายามเน้นว่าอันที่หนึ่งเลยสิ่งที่เราต้องปลูกฝังในช่วงขณะที่เราขึ้นวอร์ดหรือว่าเรียนอยู่เนี่ยปลูกฝังความเป็นนักศึกษานักศึกษานะฮะไม่ใช่นักตัดสินนะครับไม่ใช่นักตัดสินไม่ใช่ผู้กากับเราอย่าไปอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่าไปอยากให้คนนี้เป็นอย่างนี้ฉะั้นพอถ้าเราเข้าไปพยายามที่จะทําให้อะไรอะไรอะไรเป็นอย่างที่ชั้นต้องการเนี่ยนะฮะเราจะทุกข์มากและถ้าเราสั่งสมประสบการณ์หรือว่า น, นิสัยอย่างนี้ออกไปข้างนอกนะฮะ ทุกที่เกิดขึ้นกับคนอื่นและทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราทราบกันดีว่าทันตแพทย์เนี่ยถ้าเข้าไปอยู่โรงพยาบาลหรือว่าในที่ทํางานเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นคีย์แมนเป็นผู้ที่มีศักยภาพนะครในการพัฒนาระบบสาธารณสุขเราจะสร้างความสุขหรือจะสร้างความทุกข์ให้กับคนในที่ทํางานหรือให้กับผู้ป่วยหรือให้กับสังคมหรือว่าชุมชนเนี่ยเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีกําลังมากนะครับเพระนั้นถ้าเรามีพฤติกรรมที่ เป็นผู้ที่มีตัวตนสูงเนี่ยนะรเราจะไม่ค่อยฟังความคิดเห็นของผู้อื่นใช่ไหมฮะอะไรที่เราเห็นมาถูกเราจะต้องทำต้องทำต้องทำแต่จริงๆมันอาจจะมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่มันยังทําไม่ได้แต่ถ้าเรามุ่งมุทะลุดุดันมุ่งทําแต่ถ่งที่ถูกแต่ว่าจริงๆมันอาจจะยังมีสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนะแทนที่มันดีมันกลับจะเสียอย่างนี้ก็มีได้นะครับอย่างนี้ก็มีได้นะครับเพราะฉะนั้นอันหนึ่งที่อยากจะฝากน้องๆไว้ในตรงนี้เลยคือว่าหนึ่งขอให้น้องๆเป็นนักศึกษาไปทั้งชีวิต ผมไม่อยากให้น้องๆเป็นผู้จบการศึกษานะครับการศึกษาที่เราจบปริญญาตรีได้ใบประกาศมานี่นะขอให้แค่ว่าเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆ น, นะฮะสร้างความมั่นใจเล็กๆน้อยๆนะครับในการที่เราจะไปประกอบอาชีพเท่านั้นเองแต่ขอให้น้องๆมีนิสัยลวดทําตัวเป็นนักศึกษาทั้งชีวิตนะครับอันนี้มันจะมีผลมากต่อการไปมีครอบครัวด้วยนะในที่นี้มีใครคิดว่าจบออกไปแล้ว จะไม่แต่งงานแน่ๆมีไหมฮะฉันจะขออยู่เป็นโสดตลอดชีวิตมีไหมมีหรือว่าคนไหนมั่นใจมากๆแว่าจบไปฉันจะต้องแต่งงานแน่ๆมีไหมคใครจองคิวคนแรกมาแล้วนะตรงนี้สําคัญนะครับไม่ว่าน้องๆจะมีคู่หรือว่าน้องๆไม่มีคู่นะครับเราต้องศึกษาชีวิตทัง้งสองด้านให้ได้การมีคู่เนี่ยนะะเป็นการศึกษานะฮะ แต่ถ้าการมีคู่นะฮะเป็นเป้าหมายของชีวิตนะเราคิดว่าการมีคู่เนี่ยจะเป็นสิ่งที่นําความสุขมาให้เราเนี่ยนะน้องๆ อ, อาจจะพลาดแต่ถ้าระวังใจใหม่นะอย่างที่บอกการที่เราวางใจไว้เป็นนักศึกษาตลอดเวลาเนี่ยนะจะมีแฟนก็ศึกษาความเป็นแฟนดูที่บรรยากาศของความเป็นแฟนกันเนี่ยนะกำลังเดทกันอยู่เนี่ยนะมันมีรสชาติเป็นยังไงนะครับในขณะถ้าเกิดว่าถูกแฟนทิ้งหรือจะทิ้งแฟนนะครับ รสชาติมันเป็นยังไงเนี่ยเราสามารถศึกษาชีวิตได้นะฮะหรือถ้าจะต้องแต่งงานมีคู่มีครอบครัวนะครับลองดูระวางใจเป็นนักศึกษาชีวิตคู่ว่ามันเป็นยังไงอย่างนี้เนี่ยรู้ไหมว่ามันจะทำให้การมีชีวิตคู่หรือไม่มีชีวิตคู่เนี่ยนะฮะมีความสุขถ้าจะต้องมีลูกทำตัวเป็นนักศึกษาว่าโอ้เราจะลองศึกษาวิชาชีพพ่อดู ศึกษาวิชาชีพความเป็นแม่ดูเป็นยังไงดีไหมอย่างนี้นะฮะงนั้นการปลูกฝังเรื่องของการเป็นนักศึกษาเนี่ยจึงบอกว่าขอให้น้องๆเนี่ยจําตรงนี้ไว้เลยว่าเราขอหรือวควรจะเป็นนักศึกษาเนี่ยไปทั้งชีวิตนะฮะไปทั้งชีวิตจะทําให้เราไม่ขาดทุนแล้วก็สนุกในการเรียนนะครับสนุกในการเรียนสนุกในการมีชีวิตสนุกในที่ทํางานนะครับ ัสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถค่อยๆเรียนรู้นะครขึ้นวอร์ดต้องเตรียมตัววิชาการต้องมีนะครับไม่ใช่ขี้เกียจอ่านหนังสือนะครับเราจะหวังว่าจะทำให้เรามีความรู้มากขึ้นคนไข้ต้องดูคนไข้ทุกคนเป็นเหมือนครูของเราสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเหมือนครูของเรานะครับแล้วในขณะที่เราเข้าวอร์ดเนี่ยนะเราเริ่มทำงานเป็นทีมเราเริ่มเรียนรู้การทางานเป็นทีม แล้วถ้าเราต้องออกไปสู่ที่ทํางานเนี่ยเราก็ต้องทํางานเป็นทีมถ้าน้องๆไปอยู่ในที่ทํางานหรือว่าแม้แต่กําลังขึ้นวอร์ดเนี่ยน้องๆต้องการผู้ร่วมงานชนิดไหนมากที่สุดอ่ะมีสามคนนะมีสามคนให้เลือกหนึ่งเกง่งนะเก่งมากคนนี้นะไบรท์ Bright, นะอันที่2ก็คือเป็นคนดีมีนิสัยดีเอื้อเฟื้อเผือผ่อแผ่นะใจเย็นไกลพวกนึงนะขี้โกงเอาเปรียบเพื่อนนะขี้เกียจ นะแล้วก็ไม่ค่อยซื่อสัตย์ไม่ค่อยจริงใจกับเราในสามคนนี้เราอยากได้ใครหนึ่งเก่งสองเป็นคนดีใจเย็นพูดคุยกันได้รู้เรื่องนะเ อ, อื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ตั้งกันและกันอันที่สามก็คือขี้เกียจเอาเปรียบได้เอาเปรียบหลบได้หลบนะฮะแล้ไม่ค่อยจริงใจเราอยากได้ใครคนที่หนึ่งคนที่สองหรือคนที่สามผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนที่สองนะใช่ไหมคนที่หนึ่งเนี่ยเก่งมากนะในระวับระดับ ถ้าจบไปก็คือเหรียญทองอะไรทํานองเนี้นะฮะพวกนี้เนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ว่านะจริงๆได้เหรียญทองก็ดีนะแต่ว่าพวกที่ได้เหรียญทองเนี่ยนะฮะถ้าเก่งแต่วิชาการอย่างเดียวนะแต่ขาดความเป็นคนดีนะฮะถ้าผมขึ้นบอร์ดนะผมก็ไม่ค่อยอยากได้คนอย่างเงี้ยนะฮะเพราะอะไรพวกมันเก่งเกินเราหรือเปล่านะไม่ใช่หรอกเพราะว่าคนพวกนี้นะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยโดยพฤติกรรมของเขาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเอาเพื่อนนะไม่ค่อยเอาฝูงไม่ค่อยเอาหมู่ นะครับกับอีกคนที่สามเนี่ยเราก็ไม่อยากได้ว่ามันสร้างความเดือดร้อนให้กับเรานะครับนั้นย้อนกลับมาดูตัวเราเองนะฮะย้อนกลับมาดูตัวเราเองเวลาเราสร้างคนนะฮะรู้เราอยากได้คนเนี่ยเราสามารถสร้างได้เพราะว่าเป้าหมายก็คืออะไรเราอยากได้คนดีอันที่หนึ่งใช่มจริงจริงแล้วเราอยากได้คนดีอันที่หนึ่งอันที่สองคือคนมีความรู้ใช่ไหมเขาเรียกมีคนที่มีความรู้คู่คุณธรรมไง ใช่ไหมฮะอันนี้คือโมเดลก็คือแบบที่เราอยากได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยากได้แต่เราไม่ปั้นไม่สร้างมันจะได้ไหมไม่ได้นะเราอยากได้คนดีอยากได้หมอที่ดีแต่เราใส่เหตุปัจจัยที่มันไม่ถูกต้องนะครับเราสร้างเด็กเราไม่เป็นหรือแม้แต่ตัวนักศึกษาเองลิสิตเองเนี่ยนะไม่ทำตัวเองเรารู้ว่าเป็นคนที่มีความรู้ดีเนี่ยดีนะแต่เราก็ขี้เกียจอ่านหนังสืออย่างเงี้ยใช่ไมฮะ ทำก็ทํางานไม่ค่อยให้ความทุ่มเทชิ้นงานก็ไม่ค่อยดูสมบูรณ์เอาแค่พอผ่านอะไรอย่างนี้นะนะครับในขณะเดียวกันอย่างที่บอกถ้าเราไม่ฝึกจิตฝึกใจของเราเนี่ยนะฮะให้มันมีคุณธรรมนะครับให้มันมีความอ่อนโยนให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยพวกนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องการคนประเภทนี้เหมือนกันเราะนั้นในการสร้างคนนะหรือว่าทิศทางของชีวิตของเรานะ ที่ควรจะทำหรือควรจะมีหรือควรจะทำให้เกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าอันที่หนึ่งคนในสังคมหรือว่าในหน่วยงานเนี่ยที่ไม่ต้องการเลยนะคอันที่หนึ่งก็คือคนแสบอยากได้ไ้ยคนแสบคนแสบก็คืออะไรคนแสบก็คือคนที่ไม่จริงใจกับคนอื่นนะชอบแหกกฎแหกกติกาอยู่เรื่อยเกเลเกตุงนะหัวแข็งนะพวกนี้ดืนนะ้อด้านนะดื้อด้านไม่มีเหตุไม่มีผล ทำรองเนี่นะเอาแต่อารมณ์เอาแต่อจัยวู้วามอย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าคนแสบถ้าอย่างนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยมีในคณะทันตแพทย์นะฮะไม่ค่อยมีคนแสบนะฮะเพราะนั้นบุคคลที่ไม่พึงประสงค์มาซื้อคือคนคนแสบแล้วบุคคลที่เราอยากจะได้ก็คือคนไม่แสบเขาบอกเขาทำยังไงจึงจะได้เด็กหรือได้บุคลากรที่ไม่แสบเห็นไหมมันมาที่เหตุอย่างที่บอกเราอยากได้ผลดีๆก็คืออยากได้ผลคือคนไม่แสบแล้วทํายังไงจึงจะไม่แสบ เขาบอกว่าถ้าไม่แสบเนี่ยนะะต้องไม่แสบ2 อ, อย่างก็คือไม่แสบในทางโลกกับไม่แสบในทางธรรมนะครับไม่แสบในทางโลกก็คืออะไรต้องเป็นคนที่เข้าใจกฎเกณฑ์กติกาของสังคมเช่นเรากำลังขึ้นวอร์ดเนี่ยนะต้องมาดูคนไข้ตอน7โมงนะครับโมงต้องราวของคนไข้แต่ถ้าแสบก็คือเขาเริ่มเกยละนะมาดูคนไข้ตอน7จ็ดโม ง, งึพอตอน8ดโมงเนี่ยไม่พร้อมแล้วเห็นหเริ่มเกเริ่มให้คนอื่นเริ่ม หนีเริ่มหลบเริ่มหลีกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเริ่มแสบและหาความเดือดร้อนมาให้หมู่ละอย่างเงี้นะฮะแสบนะ น, นี่คือแสบทางโลกอีกอันนึงก็คือแสบทางธรรมแสบทางธรรมก็คืออะไรพวกนี้ก็คือเบียดเบียนตัวเองนะฮะเบียดเบียนตัวเองทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นทุกข์เป็นเดือดร้อนเช่นว่าอะไรสูบบุหรี่กินเหล้านะเที่ยวคับเที่ยวบาร์หรือว่าแม้แต่เรื่องของการเกี่ยวข้องกับอบายมุกต่างๆการพนัน ยาเสพติดอะไรพวกนี้อันนี้แสบแสบแล้วทําให้อะไรตัวเองเดือดร้อนด้วยแล้วเกิดความเสียหายทางด้านจิตใจด้วยนี่เขาเรียกว่าแสบทางทำนะครับทํำยังไงจึงจะฝึกเด็กของเราเนี่ยไม่ให้แสบหรือว่าถ้าทำให้เราเนี่ยยังไงเป็นคนไม่แสบเขาบอกว่าต้องมีวินัยนะฝึกให้มีวินัยพวกเรามีไหมวินัยมีวินัยให้ตัวเองได้ไหมเช่นวินัยในการตรงต่อเวลา เช่นกำหนดว่าส่งงานช่วงนี้นะก็ต้องส่งขึ้นเราคนไข่ตอนนี้นะก็ต้องขึ้นใช่ไหมฮะถึงเวลามีกิจกรรมของส่วนรวมนัดแล้วตรงไปตรงเวลาเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่ามีวินัยต่อเวลามันมีวินัยอีกอย่างหนึ่งนะที่มีผลต่อพฤติกรรมของเราเช่นวินัยในการกินนะฮะวินัยในการรับประทานอาหารใชฮะเราทานอาหารเนี่ยทานอาหารที่มันมีคุณมีค่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพหรือเปล่าหรือว่าแม้แต่เรื่องของการที่เรามีวินัยต่อการทานอาหารที่เกี่ยวข้องกับ การที่จะทําให้ไม่เกิดโรคใช่ไหมฟันผุนะถ้าเราไม่มีวินัยในการกินอาหารนะหมอฟันก็จะห้ามกินลูกกวาดกินขนมหวานใช่ไหมฮะกินแล้วต้องแปรงฟันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือวินยัยนะฮะเว่ินัยจริงๆแล้วเนี่ยฮะต้องฝึกให้มากนะครับเราสอนนักศึกษาหรือว่าเราสอนลูกสอนหลานของเราเนี่ยน ะ, ะต้องฝึกความเป็นวินยัยเพราะว่าวินัยเนี่ยมันจะทําให้สังคมเนี่ยมันสงบนะฮะไม่สร้างความเดือดร้อนหรือว่าความวุ่นวายขึ้นมาในหมู่ในคณะ ท่นถ้าทุกคนดูแลตัวเองให้เป็นคนที่ตรงต่อเวลานะครับเห็นไม้มความวุ่นวายก็จะไม่เกิดขึ้นงานที่ส่งส่งตรงเวลาครูอาจารย์เขาก็ไม่ลำบากใจในการที่จะให้คะแนนะอย่างนี้เป็นต้นท่านวินัยเนี่ยเป็นสิ่งที่น้องๆต้องมีต้องฝึกนะครซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยในส่วนของการที่เราเป็นนักศึคณะสาธารแพทย์เนี่ยผมไม่ไม่ค่อยห่วงนะครับไม่ค่อยห่วงอันที่สองนะฮะ บ, บุคคลที่เราต้องการนะฮะก็คือไม่โง้ เราต้องการทันตแพทย์โง่โง่ไหไม่ต้องการลูกศิษย์โง่โงเราก็ไม่ต้องการหรือว่าเพื่อนร่วมงานโง่โงก็ไม่ต้องการทั้งโง่แล้วแถมงี่เง่าด้วยยิ่งไปกันใหญ่ใช่ไหมฮะไม่โง่ในที่นี้ก็คืออะไรวิชาความรู้ในวิชาชีพของเราเนี่ยในวิชาที่เรากําลังขึ้นอยู่เนี่ยนะฮะต้องรอบรู้ดังนั้นถ้าเราต้องรอบรู้เนี่ยเราต้องขยันอ่านใช่ไหมฮะขยันอ่านขยันศึกษาเอาใจใส่นะฮะเอาใจใส่วิชาความรู้เราต้องแน่นดงนั้นถ้าเราไปเตที่ทํางานนะคร ผมมีประสบการณ์ก็คือมีหมอเอ็กซเรย์ท่านหนึ่งนี่นะคือเรียนเป็นหมอเอ็กซเรย์จบแพทย์แล้วไปเป็นหมอเอ็กซเรย์นี่นะแล้วปรากฏว่าคือสอบบอร์ดผ่านมาด้วยความทุลักทุเลผลคืออะไรไหมฮะพอไปทํางานเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาไม่มั่นใจเขาอ่านฟิล์มผิ ด, ผ, ดผิดถูกๆูกใช่ไหมอ่านฟิล์มผิดผิดถูกๆมีกระดูกหักก็เห็นว่าไม่หักนะครับตรวจอันตราซาวดูเห็นว่ามีก้อนแต่พอคนอื่นไปดูแล้วเขาไม่พบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ อย่างนี้ลักษณะอย่างนี้นะผู้ร่วมงานเนี่ยเขาจะไม่เชื่อถือใช่ไหมฮะพอผู้ร่วมงานไม่เชื่อถือนะหมอด้วยการที่จะปรึกษาอ่านฟิล์มนะฮะไม่มั่นใจแล้วส่งฟิลม์มเอกซารให้คนอ่านนะฮะพอย้อนกลับมานะไม่เชื่อไม่อ่านใบอ่านนะดูเองดีกว่าหรือแม้แต่เอาไปปรึกษากับคนอื่นอีกชั้นหนึ่งอย่างนี้นะเห็นไหมฮะเจ้าหน้าที่พยาบาลผู้ร่วมงานเขาก็รู้ว่าหมอคนนี้นะอ่านฟิล์มไม่แม่นเห็นไหมฮะเสียเลยนะฮะเสียเลยนะฮะ ตัวเองเป็นหมอเอ็กซเรย์เนี่ยเสียความมั่นใจในตัวเองมากแล้วก็เสียความมั่นใจในชีวิตมากเพราะน้องๆจึงบอกว่าน้องๆ อ, อยู่ในช่วงที่มีกําลังศึกษาอยู่สําคัญมากเลยก็คือวิชาความรู้ที่ต้องน้องจะต้องตักตวงให้มันหนักแน่นต้องแม่นยําในข้อวิชาการของเรานะครับแม่นยำนะเพราะไม่งงั้นเนี่ยน้องเป็นทันตแพทย์ที่รักษาแบบมั่วซั่วนเนี่ยนะฮะเสียหายมากเลย นะครับเสียหายมากเลยเสียหายต่อคนไข้ที่อันตรายจะเกิดขึ้นและเสียหายต่อความจเจริญก้าวหน้าในชีวิตการทํางานของเราด้วยนั้นไม่โง่ในที่นี้เนี่ยต้องไม่โง่ในวิชาความรู้ในการที่จะเอาไปประกอบอาชีพนะครับกับ <bidding S 2> อันที่สองก็คือไม่โง่ในทางธรรมนะครับก็คือให้มีความรู้ให้มีความเข้าใจเรื่องของบุญเรื่องของบาปอะไรมันเป็นบุญอะไรมันเป็นบาปอะไรคือความดีอะไรคือความชั่วอะไรที่เป็นทางที่ทําให้ชีวิตของเราเสื่อม อะไรที่ทําให้ทางชีวิตของเราเนี่ยให้ไปสู่ความเจริญเนี่ยน้องๆต้องศึกษาไปด้วยน้องๆต้องศึกษาไปด้วยนะฮะผมต้องบอกไงว่าหัวข้อแรกที่ผมฝากให้น้องๆเป็นเลยก็คือเป็นนักศึกษาเพราน้องๆนนักศึกษาทางโลกในขณะที่เรียนรู้วิชาการของความเป็นทันตแพทย์แต่น้องๆก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยว่าอะไรนะที่มันเป็นเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์อะไรเป็นเป็นเหตุให้เกิดความสุขอะไรมันเป็นเหตุที่ทําให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าอะไรเป็นเหตุที่ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยถดถอยเห็นไหมฮะ ด้านหนึ่งของชีวิตเราต้องศึกษาทั้งสองด้านเนี้ไปพร้อมๆกันเขาบอกว่าคุณสมบัติของการที่จะทำให้นิสิตของเราเป็นคนไม่โง่เราจะไม่เป็นทันตแพทย์ที่โง่เราจะไม่โง่ต่อชีวิตเนี่ยนะอันหนึ่งที่เราต้องปลูกฝังอุปนิสัยให้เข้านะครับก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตัวความอ่อนน้อมถ่อมตัวนะฮะเป็นคุณสมบัติของนักศึกษาที่ดีนะครับ ทำไมความอ่อนน้อมถ่อมตัวเนี่ยจึงเป็นที่มาของปัญญาผู้มีปัญญาก็คือคนไม่โง่ใช่ไหมเราอยากให้เรามีปัญญามากๆปัญญาปริญญาความรู้ทางการแพทย์เนี่ยก็เป็นปัญญาแต่ปัญญา อ, อีกอันหนึ่งก็คือปัญญาที่ทําให้ชีวิตของเราไม่ท euh. ุกเนี่ยไม่มีความทุกเลื <t <t ่อให้มีความสุขมากๆเนี่ยเขาบอกว่าความอ่อนน้อมถ่อมตัวเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยที่สําคัญมากความอ่อนน้อมถ่อมตัวเพมันน้องๆขึ้นวอร์ดนะน้องๆต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตัว อ่อนน้อมทมตัวนะอย่าไปเดินกลางนะครับใส่เสื้อกาวแล้วแหม่กลางเลยนะภูมิใจจังเดินแขนกลางนะฮะขาคอตรงนะฮะก้มคอลงไม่เป็นอะไรอย่างงี้นะฮะกล่าวคาขอโทษไม่เป็นกล่าวคำให้อภัยไม่เป็นนะฮะคนที่อ่อนน้อมทมตัวนี่แหละฮะจะเป็นบุคคลเหมือนการที่ทำตัวเหมือนภาชนะที่ลองไว้ในที่ต่าหน่อยเอาไว้ลองรับอะไรลองรับความรู้ แต่ถ้าเราเป็นภาชนะใบใหญ่ๆนะฮะยกไว้สูงๆนะฮะเราจะได้น้ําจากไหนเข้าใจไหมเวลาเราลินแก้วน้ำเราอยากดื่มน้ําเนี่ยเราไปเอาไว้อยู่เหนือคูลเลอร์เนี่ยนะฮะวันนี้จะได้กินน้ำไหมไม่ได้กินหรอกนะครับแต่ถ้าเราต้องการน้ํานะครับเราเอาแก้วน้ําไว้ต่ําๆแล้วเราเปิดน้ําเราเราจะได้กินน้ําแต่ถ้าเราอยากได้กินน้ํานะเราเปิดน้ำเราเอาแก้วไว้สูงๆนะฮะก็คงไม่ได้กินน้ําอันนี้ก็คือการที่พยายามฝึกตัวเอง นะครับพยายามสอนตัวเองหรือแม้แต่คณะครูอาจารย์ที่ต้องเน้นกันนิสิตก็คือให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตัวเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตของเราทั้งชีวิตอย่างที่บอกมันต้องเป็นนักศึกษาทั้งชีวิตแม้แต่การที่เราเข้าไปอยู่ในตึกเนี่ยนะถ้าเราไม่อ่อนน้อมถ่อมตัวนะรุ่นพี่อาจารย์เนี่ยเห็นไอ้คนนี้มันกลางนะบางทีบางนักเรียนเหรียญทองนะเกรดสามจดแปดสเนี่ยนะนะมีความมั่นใจในตัวเองสูงมาก นะมีรุ่นพี่เอ้ยอะไรเอ้ยแม้แต่พยาบาลที่เขาแนะนํามาเนี่ยนะไม่ฟังนะฮะมองด้วยสายตาเหยีดยดเหียดอย่างที่ว่าเนี่ยนะแทนที่เราจะได้ความรู้มากๆใช่ไหมเขาก็ไม่สอนเขาก็ไม่แนะนําไม่ชี้แนะให้นะครับยกตัวอย่างที่ประสบการณ์ตรงอีกอันนึงนะฮะมีโรงพยาบาลหนึ่งที่นคนปรปฐมมีหมอจบใหม่นะเป็นแพทย์นะครับเหรียญทองเกียรตินิยมันดับหนึ่งไปอยู่ ได้หมอมาเนี่ยเขาก็ดีใจนะเพราะหมอไม่ค่อยมีแต่ปรากฏว่าพอหมอ น, นี่มาอยู่นะฮะแทนที่ความสงบจะเกิดนะความวุ่นวายเกิดแทนเพราะว่าเขามีความมั่นใจในตัวเองมากหมอเหรียญทองนะฮะรนะักษาคนไข้เนี่ยนะต้องฟังเราต้องฟังชั้นต้องฟังชั้นมีอยู่ข่าวหนึ่งที่เกิดเรื่องเลยก็คือเป็นคนไข้เบาหวานนอนอยู่ในตึก โอ้ยเนี่ยรักษาดีแล้วเนี่ยรักษาดีแล้วเนี่ยนะไอ้นี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ไอ้นั่นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้อย่างนั้นเนี่ยกลับบ้านได้แล้วแต่คนไข้รู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมที่จะกลับเขาายังรู้สึกเหนื่อยยังรู้สึกยังไม่ดีพอที่เขาจะอยกจะกลับเนี่ยหรือไม่เขาขออยู่ต่อญาติก็มาขอร้องอ้อนวอนโอ้ยไม่ต้องเรกไม่ได้เราเชื่อหมอที่เนี่ยหมอเหรียญทองนะบอกเลยนะประกาศด้วยนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นหมอเหรียญทองนะนะพยายามบอกให้คนไข้มั่นใจเถอะว่าฉันเนี่ยนะแน่ฉันวินิจฉัยคําแนะนําของเราเนี่ยมันใช่ละ นะแต่ความรู้สึกของคนไข้ที่เขาอยากยังไม่พร้อมที่จะกลับเนี่ยไม่ฟังคือในวิชาการเนี่ยเขาถูกต้องไนงะนึกออกไหมฮะตามอินดิเคชันต่างๆเนี่ยนะโอ้ยไว้เขาลงแล้วน้ําตาลดีแล้วนะมีอย่างนั้นอย่างนี้ดีครบหมดแล้วกลับได้ในวิชาเขาบอกว่ากลับได้แต่ความรู้สึกของคนไข้บอกว่ายังไม่พร้อมที่จะ ก, กลับเขายังรู้สึกเหนื่อยๆอยู่ฟอร์สคนไข้จนกระทั่งคนไข้กลับบ้านแล้วที่เกิดเรื่องคืออะไรรู้ไหมฮะคนไข้ไปเสียชีวิตที่บ้าน นะครับไปเสียชีวิตที่บ้านนะในวันถัดไปนะครับทีนี้เป็นเรื่องแล้วอย่างที่เราบอกอย่างที่เราทราบนะครับคนไข้สามสิบบาทนะรักษาไมา่ได้มาตรฐานไล่คนไข้กลับบ้านนะทุกข้อหาใช่ไหมฟ้องกระทรวงฟ้องแพทยสภาฟ้องศาลฟ้องภู้โดยการโอ้โหปวนทั้งขบวนเลยเพียงแค่ว่าฉันเป็นหมอเหลียมทอง นะครับเพะั้นพฤติกรรมอย่างนี้นะฮะน้องๆอย่าให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองนะครับเราออกไปทํางานเนี่ยนะฮะผมบอกได้เลยว่าขาข้างหนึ่งเนี่ยฮะอยู่ในตารางนะครับขาข้างหนึ่งของเราเนี่ยนะฮะอยู่ในตารางเพระนั้นถ้าเราไม่ระมัดระวังนะครับไม่ระมัดระวังไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่อ่อนโยนต่อคนไข้ไม่มีสัมมาคารวะนะครับพวกนี้เนี่ยฮะมีความทุกข์มากกว่าความสุขในชีวิตของการทํางานเพะนั้นในระหว่างที่เราเป็นนักศึกษาเนี่ยจึงบอกได้ว่า ทำตัวให้เป็นนักศึกษานักศึกษาที่ดีเนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตัวนะครับวิชาความรู้เป็นอีกเรื่องนึงนะแต่เรื่องของการเรียนรู้ชีวิตเนี่ยนะมันมีเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกมากนะฉะั้นถ้าเราทําตัวเป็นถ้วยชาที่เต็มอยู่เสมอนะฮะหรือว่าทําตัวทําเป็นภาชนะที่ไม่ว่างเปล่าหรือว่าเป็นทําภาชนะที่มันอยู่ที่สูงตลอดเวลาเนี่ยเราจะปิดโอกาสของเราโดยอัตโนมัติเป็นการฆ่าตัดตอนทางสติปัญญาตัวเองโดยอัตโนมัตินะครับ นั้นความเยอ่อหยิ่งทิฏฐิมาน้าอาหางกาเนี่ยนะฮะวิชาชีพของเราเนี่ยมีกันมากมีมากนะฮะแล้ที่มีมากเพราะอะไรเพราะว่ามันเก่งมาตั้งแต่เด็กนะครับมันเก่งมาตั้งแต่เด็กสอบเข้าก็ยากเรียนจบก็ยากนะฮะไปไหนก็มีคนยกมือไห ว, นะว้นะฮะเตัวตนมันพอกพูนขึ้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตรงนี้แหละฮะเป็นอันตรายต่อโทนคนนั้นมากเพราต้องต้องติดเบรกให้กับตัวเราเองไว้ สร้างจิตสำนึกตัวเองไว้ว่าเราเป็นนักศึกษานะเราจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการที่ชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นไปเนี่ยเราต้องทําภาชนะให้เป็นภาชนะเปล่าๆพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาจากทุกๆสิ่งด้วยซ้ําไปนะจากทุกๆสิ่งจากทุกๆคนจากทุกๆเหตุการณ์น ะ, ะนนง่ายๆเลยน ะ, ะก็คือให้จิตใจอ่อนโยนมีความอ่อนร้อมถ่อมตัวเนี่ยนะแล้วเราจะเป็นนักศึกษาที่ดี จะเป็นผู้ที่มีสติปัญญามากขึ้นในอนาคตนะครับเรากลับไปที่ทํางานนะในสมัยผมจบเป็นแพทย์ใหม่ๆเนี่ยนะรือว่าเป็นนักเทอรีนไปฝึกงานเนะี่ยนะพยาบาลห้องคลอดเนี่ยดุมากนะดูมากเราทําอะไรไม่เป็นนะตรวจภายในก็ยังไม่ค่อยเป็นเนี่ยนะเขาทํามาจนชํานาญได้หร อ, อไมนะ่ฮะแม้แต่เรื่องของการทำหมันซึ่งเป็นหัตการที่ง่ายมากเลยนะเราควานอยู่เป็นชั่วโมงเลยนะฮะทําไม่ได้นะไม่เจอ พยาบาลรูปมือปืดขึ้นมาดึงชิ้วขึ้นมาให้เราทําแล้วเห็นไหมเขาเก่งกว่าเรามากแต่ถ้าเราคิดว่าเราเป็นหมออะไรนะฮะเราแน่เนี่ยนะฮะเราก็ควานต่อไปเถอะเราก็ควานต่อไปเถอะแทนที่ว่าเราพี่เออเนี่ยนะพี่สอนผมหน่อยแนะนําหนูหน่อยทํำยังไงนะเนี่ยเราทำมาพักหนึ่งแล้วใหม่ๆก็ อ, อาจจะมีศักดิ์ศรีเสหน่อยไม่ถามเก๊กหน่อยเก๊กหน่อยแต่ความซะบ้างทั้งนึงต้องลดทิฏฐิตัวเองลงนะไม่งั้นนี่นะเราจะไม่ได้ของดีเพราะเขาทํามาเนี่ยนะ พยาบาลคนหนึ่งนะครับเขาผ่านหมอมาตั้งหลายสิบคนไม่ใช่ผ่านในในแง่อย่างอื่นนะ ค, คือหมายความว่าคือเข้าใจนะฮะก็ <c oughs> คือว่าคุณหมอที่เขามีประสบการณ์มีเทคนิคนะฮะหมอสูแต่ละคนที่เขามาทํางานแล้วเขาต้องเป็นเข้าเป็นผู้ช่วยเนี่ยนะฮะหมอจะมีเทคนิคในการที่จะทําหัตการต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นตัวสะสมประสบการณ์นั้นพยาบาลเนี่ยจึงเป็นแหล่งความรู้ชั้นเลิศนะครับนะครับพยาบาลในที่ตึกที่วอร์ดนะฮะ เป็นแหล่งความรู้ชั้นเลิศของนักศึกษาหรือว่านิสิตแพทย์ทันตแพทย์นะครับให้ความเคารพกับเขาไว้ดีที่สุดเลยฮะดีที่สุดเลยนะฮะอย่าไปมีปัญหากับคนพวกนี้นะฮะเพราะเขาเป็นแหล่งความรู้ของเราจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใจเราเราดีจริงๆเนี่ยนะฮะเราจะมีความเคารพกับเขาเนี่ยในฐานะที่เขาเป็นครูเราอีกคนหนึ่งอย่างดีนะอาจจะเก่งกว่าอาจารย์ของเราด้วยซ้ําไปนะฮะอาจจะเก่งกว่าอาจารย์ทันตแพทย์ด้วยซ้ําไปนะครับพยาบาลเนี่ยนนะการจัดท่าจัดทาง การเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยนะฮะขาอาจจะเก่งกว่าอาจารย์แพทย์จริงๆเลยด้วยก็ได้มันตรงนี้นะฮะเป็นแหล่งความรู้ชั้นเลิศมันถ้าเราทำตัวกลางหัวแข็งหัวสูงนะฮะเราจะฆ่าตัดตอนทางปัญญาตัวเองโดยอัตโนมัติเห็นไหมฮะและเหตุการณ์อย่างนี้นะฮะมันจะเกิดขึ้นในอาชีพหรือในชีวิตของเราต่อๆไปนะฮะเราจะเป็นคนที่มีโลกกระทัแคบๆนะฮะแคบขนาดไหนแคบแค่ช่องปากแคบแค่ช่องปากนะฮะ แต่ชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ช่องปากนะครับโลกมันกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับเพผมต้องบอกไงว่าการที่เราเป็นผู้ที่มีนิสัยอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตัวไว้เนี่ยจะทําให้เราเปิดโอกาสนะเหมือนกับภาชนะที่เราไม่ปิดฝาไว้พร้อมที่จะเปิดรับสิ่งดีๆเสมอเนี่ยตรงนี้เป็นอันหนึ่งที่น้องๆควรจะพอกพูนหรือสั่งสมในระหว่างที่เรากําลังเป็นนิสิตไว้นะครับกับอันที่สามคือบุคลากรที่เราไม่อยากได้นะฮะ อันที่หนนะบุคลากรแบบแสบๆเนี่ยเราไม่อยากได้นะเกเลเกตุงลืดด้านอะไรอย่างเงี้ยนะเราไม่อยากได้อันที่สองก็คือไม่โง่ใช่ไหมไม่โง่ฉลาดนะมีสติปัญญาแล้วก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตัวมีความอ่อนโยนนะครับอีกคนที่สามที่เราไม่อยากได้เลยนะเวลาขึ้นบอร์ดหรือแม้แต่ออกไปทํางานในที่ทํางานจะเห็นชัดมากนะฮนะก็คือคนที่แรงน้ําใจใช่ไหมฮะเก่ง ดีแต่ไม่มีน้ำใจนะฮะที่ทำงานนี่แห้งแล้งมากนะฮะแม้จะจะส่งยิ้มให้กันยังไม่อยากจะยิ้มให้เลยนะฮะยกมือไหว้สวัสดีกันยังไม่ค่อยจะมีนะครับหรือแม้แต่มีเรื่องราวเดือดร้อนนะฮะขอคำปรึกษาเอ้ยอะไรเอ้ยต่างๆก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับการช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นเนี่ยหาได้ยากนะครับคนที่แห้งแรงน้ำใจนี่นะโดยเฉพาะอย่างที่บอกพวกเราเนี่ย ถ้าจบออกไปเป็นทันตแพทย์โดยเฉพาะถ้าไปอยู่โรงพยาบาลชุมชนนะเราเนี่ยเป็นบุคคลที่มีกำลังรู้ว่ามีอิทธิพลมากต่อความสุขความทุกข์ของลูกน้องฉะนั้นถ้าเราไม่เอาใจใส่ไม่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับเขานะครับกับผู้ร่วมงานนะครับที่ทำงานนั้นนะฮะเป็นที่ทำงานที่ไม่น่าอยู่เลยนะครับไม่น่าอยู่เลยนะเขาบอกว่าอะไรจะเป็นเหตุปัจจัย ที่จะทำให้เราเนี่ยรู้ว่าลูกศิษย์ของเรารู้ว่าตัวเราเนี่ยนะเป็นคนไม่แรงน้ำใจอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าให้ฝึกความอดทนให้ฝึกความลาบากเวลามันอดทนนี่มันต้องอดทนตอนไหนตอนลาบากนะตอนลาบากฮัน้องๆเวลาขึ้นบอร์ดเนี่ยนะฮะต้องลาบากใช่ต้องลาบากต้องอดหลับอดนอ น, นอ่านหนังสืออ่านตำราใช่ไเตรียมงานต่างๆนะครับต้องอดทน ต่ออารมณ์ของคนอื่นต้องอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์ของตัวเองเห็นไหมฮะถ้าเรารู้จักฝึกความอดทนเอาไว้เนี่ยนะฮะเราจะเห็นเลยว่าไอ้ความอดทนนี้แหละคนอื่นเนี่ยนะฮะเขาก็มีความทุกข์อย่างที่เราเป็นนั้นถ้าเราไม่อดทนนะฮะคนอื่นจะเดือดร้อนนะคนอื่นจะเดือดร้อนเช่นเราโมโหขึ้นมาเนี่ยนะฮะเราโกรธเนี่ยนะเรามีความไม่พอใจเนี่ย แล้วเราไม่อดทนต่ออารมณ์ของตัวเองเราพร้อมที่จะระเบิดอารมณ์ออกไปตลอดเวลานั่นแหละคือสร้างความแห้งแล้งให้เกิดขึ้นในในที่ทํางานของเราใช่ไหมที่ทํางานของเราจะไม่อบอุ่นที่ทํางานของเราเนี่ยมันจะแตกระแหงใช่ไหมมันแห้งแล้งไงแห้งแล้งน้ําใจใช่ไหมแห้งแล้งน้ําใจนะขาดน้ําขาดน้ํามันก็เลยแห้งนะขาดน้ําใจมันก็เลยดูแห้งแล้งในที่ทํางานก็จะไม่อบอุ่น ใช่บรรยากาศก็จะไม่ดีเพราะนั้นการที่เราฝึกความอดทนอดทนต่อความลำบากในชีวิตนะน้องๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีนะเพราะว่าบางทีเนี่ยพ่อแม่เรามีฐานะเราอยู่ในสถานะที่ไม่ค่อยเจอกับความยากลำบากการเห็นอกเห็นใจคนอื่นจะไม่ค่อยเกิดขึ้นทำไมหมอหรือว่าทันตแพทย์ไม่ค่อยมีความเห็นอกเห็นใจกว่าคนอื่นมากโดยเฉพาะเด็กรุ่นหลัง นะพอพูดถึงเด็กรุก่เลนหลังนในแสดงว่ตัวเองแก่แล้วใช่ไหมเพราะว่าข้อสังเกตอันนึงของความเป็นผู้สูงอายุคืออะไรรู้ไหมชอบพูดถึงอดีตในสมัยนั้นนะเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะในสมัยนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะแสดงว่าคนพูดเนี่ยเริ่มแก่แล้วนะผมก็เริ่มแก่แล้วนะผมก็เริ่มแก่แล้วการที่ทําไมแพทย์ทันตแพทย์ยุคใหม่เนี่ยนะฮะ ไม่ค่อยมีความเห็นอกเห็นใจผู้ป่วยหรือแม้แต่ผู้ร่วมงานด้วยกันเนี่ยเพราะว่าเด็กของเราเนี่ยถูกเลี้ยงมาบองกองเงินกองทองซะเป็นส่วนใหญ่ซะเป็นส่วนใหญ่ใช่คนที่จะเรียนในคณะแพทย์ทันตแพทย์ได้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีสติปัญญาค่อนข้างดีโดยเฉพาะ IQ คนะครับมีความจาเป็นเลิศหรือมีความจาดีนะฮะังนั้นเด็กที่มีความจาดีๆเนี่ย มีโอกาสในการเรียนที่จะสอบ Ent ทรานซเข้ามาเนี่ยต้องเป็นคนที่มีโอกาสในสังคมคนที่มีโอกาสในสังคมก็คือมักจะเกิดจากที่พ่อแม่เนี่ยสะสมเหตุปัจจัยไว้ให้มีเงินมีความพร้อมเป็นส่วนใหญ่นะฮะไม่ค่อยมีหรอกเด็กบ้านนอกอย่างผมที่ประเภทที่แบบว่าตอนมปลายนี่ยังไปทํางานก่อสร้างอยู่แล้วจะสอบเข้ามาเป็นแพทย์ได้เนะี่ยไม่ค่อยมีน ะ, ะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ที่บ้านแล้วจะสอบมาเป็นแพทย์เนี่ยไม่ค่อยหาได้ยากส่วนใหญ่ก็มีหน้าที่ในการเรียนเรียนเรีนเรเรียนนะฮะ ประเคนให้อย่างเดียวนะครับแ ล, s <S แล้วคนพวกนี้นะฮะมีความอ่อนไหวหรือว่ามีความเปลาะบางมากต่อชีวิตนะฮะชีวิตน้องๆที่ไม่รู้จักกับความลําบากเนี่ยนะฮะหรือว่าไม่ค่อยผ่านความลําบากมาเนี่ยน้องๆจะมีความเปลาะบางต่อชีวิตถ้าเราไม่ผ่านความลําบากในชีวิตนะครับไม่ฝึกความอดทนอดกลั้นไว้นะฮะเราจะเป็นชีวิตที่เปราะบางมากและอีกจุดหนึ่งก็คือถ้าเราไม่ผ mm ่านความลําบากมาก่อนเราจะไม่ค่อยมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผ่อแผ่ต่อผู้อื่น นะครับงั้นเวลาหมอหรือว่าเวลาทันตแพทย์ออกไปทํางานข้างนอกเนี่ยถ้าเป็นคนที่ไม่เคยลําบากมาก่อนเลยนะครับเขาจะไม่ค่อยเห็นหัวคนอื่นผมใช้คํานี้เลยนะไม่ค่อยเห็นหัวคนอื่นนะครับเจ้าหน้าที่ระดับด้างล่างที่เขามีความทุกข์รายจ่ายไม่ค่อยมากรายได้ไม่ค่อยพอหรือว่าแม้แต่เรื่องเขามีปัญหาครอบครัวปัญหาเรื่องการทํามาหากินเรื่องปัญหาในที่ทํางานเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้สึกถึงความลําบากนนั้นเพราะว่าเราสะดวกมาตลอดไง เราสะดวกมาตลอดเพะั้นผมต้องบอกไงว่าในระหว่างที่เราขึ้นวอร์ดเนี่ยทุกอย่างจะเป็นครูให้เราศึกษาไงเราถึงต้องทําตัวเป็นนักศึกษาตลอดทางนะฮะแม่บ้านเขากําลังคุยกันนะเราทํางานอยู่ใกล้ๆลองฟังก็ดูที่เขาคุยอะไรกันแต่ไม่ใช่เป็นนินทานะหรือว่าไปฟังแล้วเขาคุยอะไรกันก็นินทาเราหรือเปล่าไม่ใช่นะเรียนรู้เราสามารถเรียนรู้ความลําบากของคนอื่นได้โดยที่เราอาจจะไม่ต้องลําบากซะเองนึกออกไหมฮะ เหมือนกับการที่เราเห็นคนกินเหล้าเมายาแล้วก็นอนจมกองอาเจียนอยู่แล้วก็มีสุนัขมาคอยเยลียริมฝีปากเลียใบยหน้าเนี่ยนะฮะเราสามารถเรียนรู้ได้เลยว่าโอ้ถ้ากินเหล้าเมาเนี่ยมันเหมือนหมาอย่างนี้เองใช่ไหมฮะเหมือนหมาอย่างนี้เองใช่ไหมฮะเราไม่ต้องกินเหล้าเมาขนาดนี้ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเนื้อออกไหมฮะเราสามารถที่จะเรียนรู้ปรากฏการที่เกิดขึ้นในทุกขณะของชีวิตของคนอื่นมาเป็นบทเรียนของเราได้โดยที่เราไม่ต้องไปเจ็บปวดซะเองหรื่าต้องทําซะเอง พยาบาลถ้าเราสนิทถ้าเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตัวเรามีความอ่อนโยนนะเราจะใกล้ชิดกับบุคลากรระดับอื่นความใกล้ชิดกันนี่แหละทําให้เราสามารถที่จะรับรู้เรื่องราวของคนอื่นได้ไปรับรู้นะฮะไม่ใช่แสรู้นะครับไปรับรู้เช่นเนี่ยนะมีปัญหาครอบครัวนะลูกมันติดเกมเป็นยังไงเห็นไหมเราสามารถที่จะศึกษาได้พอเราศึกษาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มเรียนรู้ชีวิตเราจะเริ่มเข้าใจชีวิตมากขึ้น เห็นไหมฮะพยาบาลนะดูกสามีทิ้งตอนนี้เนี่ยกำลังเครียดมากนะเพราะนั้นเราต้องถ้าเราไม่คุ้นเคยถ้าเราไม่ใกล้ชิดกับเขาถ้าเราจะใกล้ชิดกับเขาแล้วคุ้นเคยกับเขาเนี่ยใจเราต้องเราต้องไม่ถือเนื้อถือตัวเข้าใจไหมฮะถ้าเราถือเนื้อถือตัวเราเป็นพันธแพทย์ไปคลุกคทีกับพยาบาลไม่ได้ไปอยู่ไปคุยกับอย่างนั้นเนี่ยดูมันเสียศักดิ์ศรีอย่างนี้นะฮะไอ้ตัวนี้แหละฮะแต่า ก, การเป็นการปิดกั้นโอกาสในการศึกษาชีวิตของเรา นะครับทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะมันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยดำเนินไปสู่เป็นความเป็นปกติสุขนะครับในสมัยผมเป็นนักเรียนแพทย์อยู่เนี่ยนะกลับไปบ้านนะบ้านผมอยู่บ้านนอกตอนขากลับเนี่ยนะฮะปู่ย่าตายายเนี่ยเขาจะมารูปหลังนะูปหลังไอ้หนูเอ้ยนะเขาใช้ควา่าอย่างเงี้ยไอ้หนูเอ้ยมีใครเคยได้ยินคานี้บงไอ้หนูเอ้ยอยู่เย็นเป็นสุขนะลูกเคยได้ยินหอยู่เย็นเป็นสุขนะลูก นี่แหละฮะที่เรากำลังทากัอนอยู่ที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยนะเพื่อให้น้องๆเนี่ยอยู่เย็นอยู่เย็นไม่ใช่ห้องแอร์เย็นเย็นะไม่ใช่ห้องแอร์เย็นเย็นแต่ให้น้องได้ข้อคิดเอาไปพิจรารณาแล้วลงมือทาเพื่อที่จะให้ชีวิตของน้องๆเนี่ยเป็นชีวิตที่อยู่เย็นชีวิตที่อยู่เย็นเท่านั้นนะครับจึงจะมีความสุขชีวิตที่มีความสุขไม่ได้หมายความว่าเราเป็นทันตแพทย มีเงินเดือนมากมากมีรถคันใหญ่ๆมีบ้านหลังโตๆนะไม่ใช่เลยนะฮะไม่ใช่เลยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมพิสูจน์มาแล้วนะครับเป็นสิ่งที่ผมพิสูจน์มาแล้วด้วยชีวิตของตัวผมเองนะเมื่อก่อนผมเป็นเด็กว่า น, นอกนะผมว่าผมมีความทุกข์เพราะว่าผมไม่มีเงินต่อมาผมเป็นหมอผมมีเงินทุกข์ผมก็ม่ได้ลดลง นะครับยิ่งลาออกมาอยู่โรงพยาบาลเอกชนนะมีเงินมากกว่าเดิมอีกหลายเท่านะฮะสัญญแพทย์เนี่ยอยู่โรงพยาบาลเอกชนนะฮะได้เงินเดือนเป็นแสนนะครับแสนขึ้นนะฮะแสนขึ้นของสัญญแพทย์ก็คงไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะฮะไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่แต่ผมพบว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยนะฮะไม่ได้อยู่กับสิ่งเหล่านี้เลยนะฮะไม่ได้อยู่กับสิ่งเหล่านี้เลยเพราะความสุขใจต่างหาก ความสุขใจต่างหากเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขในชีวิตจริงๆความสุขใจจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะฮะถ้าใจของเราไม่สงบใจเราจะสงบไม่ได้เลยนะครับถ้ามันมีกิเลสตัณหาอุปาทานครอบงานะครับถ้ามันมีกิเลสตัณหาอุปาทานครอบงำวันทำยังไงกิเลสตัณหาอุปาทานจะไม่ครอบงาจิตใจของเราทำยังไงมีอะไรเป็นเครื่องมือที่จะทาให้จิตใจของเราเนี่ยนะฮะมีความสุข หรือมีความสงบหรือว่าออกจากความทุกข์เป็นเนี่ยนอันนี้เนี่ยต้องอาศัยธรรมะอีกชนิดหนึ่งเข้ามาช่วยละการเป็นคนดีอย่างเดียวไม่พอละการเป็นคนดีอย่างเดียวไม่พอละการอ่อนน้อมถ่อมตัวอย่างเดียวไม่พอละการไม่เกเรอย่างอื่นเนี่ยไม่พอละต้องสูงขึ้นใหอีกระดับหนึ่งน ะ, ะอะไรคือมูลเหตุอะไรคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตกองผมเนี่ยนะฮะทุกวันนี้ที่เรียกว่า พูดอาจจะพูดได้ว่าอยู่เย็นแล้วก็เป็นสุขอย่างแท้จริงเนี่ยน้องๆสนใจไหมผมเป็นคนดีนะที่ที่ผมพูดมาเนี่ยผมเป็นมาแล้วทั้งหมดนะฮะเป็นนักศึกษาเนี่ยผมก็เป็นนะเป็นเป็นคนดีด้วยเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวไดว้แต่ก็ติดดีอย่างว่าติดดีอย่างว่าแล้วอะไรที่ทำให้ชีวิตผมอยู่เย็นต่างไปจากเดิมเนี่ยนะไอ้ตัวนี้นะฮะคือสิ่งที่กำลังจะเล่าในระยะถัดไปให้ฟัง นั่นก็คือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคืออะไรการปฏิบัติธรรมคือการทําใจ <c oughs> นะคือการทําใจรู้จักยายี่ห้อทําใจไหมเป็นอะไรเป็นแอสไพรินใช่ไหยไอ้บริษัทโอสโตราเต็กเฮงอยู่นะประสิทิ์นะยาทำใจเป็นยาสามันประจําบ้านนะฮะเป็นยาสามันประจําบ้านเพราะฉะนั้น การทำใจก็เป็นยาสามันประจําใจนะฮะยาทําใจนี่นะแอสไพรินนี่นะหรือว่าพาราเซตามอลนี่นะเป็นยาสามันประจําบ้านเอาไว้แก้ปวดหัวตัวร้อนปวดฟันใช่ไหมหรือว่าลดดมูกแก้ไอแก้ปวดท้องอะไรต่างๆเนี่ยเป็นยาสามันประจําบ้านนะครับเป็นยาสามันประจําบ้านแต่อะไรที่จะเป็นยาสามันประจําใจเอาไว้แก้ทุกตัวเองอันนี้ยาทําใจ ยาทําใจนี่แหละที่เราจะลังจะคุยกันต่อไปนะครับยาทําใจอย่างที่ผมว่าคืออะไรคือการปฏิบัติธรรมอะไรคือการปฏิบัติธรรมถ้าว่าโดยสรุปเลยก็คือเรื่องของการให้มีสตินะครับการมีสตินี่คือยาสามัญประจำใจนะครับแต่การมีสติไม่ได้เกิดขึ้น จากการที่เราคิดแล้วมันจะเกิดขึ้นนะฮะสมัยนึงนะฮะสมัยตอนที่ผมรับราชการอยู่ที่จังหวัด ส, สุพรรณนี่ยเป็นการกลับเขารับราชการอีกรอบหนึ่งนะครับผมลาออกในขณะที่เข้ารับราชการใหม่ได้แค่สองเดือนผมลาออกอีกครั้งหนึ่งลาออกเพื่อไปปฏิบัติธรรมคุณหมอตั้งแต่ผู้อุนวยการนะฮะยันผ่านลงของโรงพยาบาลที่สุพรรณนะฮะไม่มีใครเห็นด้วยเลย มีรองผู้อำนวยการท่านหนึ่งนะครมาคุยกับผมบอกหมอหมอจะลาออกไปปฏิบัติธรรมเหรอครับหมอลุ้มไหมเนี่ยการทํางานเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมนะค ร, ครับการทํางานเนี่ยอะไรคือการปฏิบัตถถิธรรมนะฮะเขาก็อธิบายใหญ่เลยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างงี้นะจริงๆผมก็เห็นอย่างนั้นจริงๆนะครการทํา ง, งานคือการปฏิบัตถถิธรรมแต่ว่าเราปฏิบัติธรรมยังไงผลมันจึงเป็นความทุกข์ ตรงนี้ฮะเป็นจุดที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะครับเราเป็นหมอเนี่ยนะฮะเรารักษาคนไข้ด้วยความเต็มอกเต็มใจปรารถนาดีต่อเขาแต่เมื่อมันไม่เป็นไปนอย่างที่เราต้องการเนี่ยเรารู้สึกเครียดไมรู้สึกเครียดนะครับแม้แต่เรามีบางทีทะเลาะกับญาติผู้ป่วยหรือแม้แต่เราขัดแย้งกับหมอด้วยกันเองหรือแม้แต่เราไม่ค่อยพอใจหรือว่าไม่พอใจที่พยาบาลดูแลคนไข้เราไม่ดี เห็นไหมฮะอาการอย่างนี้นะฮะมันเกิดขึ้นกับผมในขณะที่ผมมีความตั้งใจในการรักษาคนไข้อย่างเต็มที่นะครับมีความปรารถนาดีต่อผู้ป่วยแต่ปรากฏว่าผมรู้สึกว่าผมมีความวิตกกังวลบ่อยมีความเครียดเกิดขึ้นง่ายๆทั้งๆ ท, ที่ผมเนี่ยปรารถนาดีต่อคนอื่นเอาง่ายๆนะฮะผมเป็นเด็กบ้านนอกมาเนี่ยถ้าเจอคนไข้ตาสีตาสาตะมีตามามาโรงพยาบาลแล้วนะถูกพยาบาลดุนะครับ หมอรักษายาให้ยาไม่เข้าท่านเนี่ยนะผมก็ไม่พอใจแล้วนะฮะผมรู้สึกว่าทําไมรักษาเขาไม่ดีเลยนะรักษาเขาไม่ดีเลยทําไมพูดกับเขาไม่ไม่พูดกับเขาดีๆล่ะเห็นไหมเ<ะ>นี่ยผมกําลังเป็นคนดีอยู่นะผมกําลังทํางานอย่างเต็มที่เลยแต่ทําไมผลจึงเป็นความทุกข์ทุกเนี่ยมันเป็นบุญแล้วมันเป็นบาปมันเป็นบาปแต่ที่เรากําลังทํางานอยู่เนี่ยช่วยเหลือเขาเนี่ยมันเป็นบุญใช่ไหมเราทําบุญแต่ทําไมผลยังเป็นบาปใช่ไหม ตรงเนี้ยผมย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเอ๊ะทำไมนะเอ๊ะทำไมแล้วผมก็ได้คำตอบเพราะว่าเป็นเพราะว่าเราไม่เข้าใจตัวเราเองเราไม่เข้าใจอารมณ์ของตัวเองนะแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยผมได้มีโอกาสในการที่ไปเจริญสติอยู่พักหนึ่งนะครับผมจึงเข้าใจว่าอ๋อไอ้ที่เราไม่เข้าใจตัวเองที่ไม่รู้ฐานอารมณ์ตัวเองเนี่ยเพราะว่าเราขาดสติเราขาดสตินะครับขาดสติสติเนี่ยมีความสำคัญมากขนาดไหน ภาษาโบราณเนี่ยเขาบอกว่าอะไรถ้าคนที่ที่ขี้ลืมขี้หลงขี้ลืมอะไรเงี้ยนะเขาใช้คําว่าอะไรไอ้นี่ไม่ค่อยมีสติสตังใช่ไหมคนเนี้ยสติสตังไม่ค่อยดีสติมันเกี่ยวอะไรกับสตังเกี่ยวกันไหมสติกับสตังมันเกี่ยวในการเปรียบเทียบนะฮะคนมีสติท่านเปรียบเหมือนคนมีสตังสตังมีเยอะเยะดีไหม ดีใช่ไหมเพราะว่าการมีสตางมากๆเนี่ยทำให้เรามีความสะดวกมีความสุขเราเดือดร้อนเรามีปัญหาเราสามารถใช้เงินใช้สตางเนี่ยมาแก้ทุกแก้ปัญหาในชีวิตของเราได้นะฮะสตางแก้ไขปัญหาเรื่องของร่างกายแต่สตินะฮะเอาไว้รักษาใจนะครับสติเอาไว้รักษาใจแล้วก็เอาไว้รักษาชีวิตจริงๆด้วยคนที่ขาดสติเนี่ยท่านต้งกล่าวว่าเหมือนคนตายแล้ว นะครับเหมือนคนตายแล้วอาการที่ขาดสติเนี่ยนะเป็นอันตรายต่อชีวิตมากขนาดไหนเนี่ยยกตัวอย่างที่เราเห็นกันอยู่ก็คือฝั่งโน้นเนี่ยนะใช่ไหมครัที่มีข่าวว่าคุณหมอท่านหนึ่งเป็นอาจารย์ด้วยที่ฆ่าหันศพภรรยาตัวเองนะแล้วต้องถูกจําคุกอยู่ในขณะ น, นี้นะฮะรอรอคำพิพากษาผมไม่แน่ใจว่าพิพากษาไปถึงไหนแล้วรู้สึกถึงจะ ถ, ถึงดีกาแล้วใช่ไหมครัเห็นไหมครัคุณหมอท่านนี้นะฮะผมก็เคยเจอเคยรู้จัก นะสมัยที่ผมมาเทรนอยู่ที่จุฬาเนี่ยนะนิสัยดียิ้มนะหน้าอาจารย์ยิ้มทั้งวันนะครับแล้วก็เป็นหมอที่ฝีมือดีนิสัยดีเป็นหมอที่มีฝีมือขนาดที่ว่าผสมเทียมเนี่ยระดับมือต้นๆของเมืองไทยในขณะที่อะไรสักอย่างหนึ่งที่ต้องพัดให้ชีวิตของอาจารย์เนี่ยต้องล้มละเนละนาฏไปเนี่ยเราคิดว่าอะไรอาจารย์เป็นคนไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมโดยพื้นฐานแล้วอาจารย์เป็นคนดี แต่ชั่วขณะหนึ่งนะฮะชั่วขณะหนึ่งที่อารมณ์ชั่ววูบมันพัดเข้ามาในใจของอาจารย์เนี่ยนะเห็นไหมฮะมันพัดชีวิตอาจารย์ทั้งชีวิตที่ทําความดีมานะให้ล้มละเลยละนาดหมดเลยนะครับอารมณ์ชั่ววูบผมพยายามเว้นจังหวะให้คิดตามนะฮะจะเข้าใจกันไหมอารมณ์ชั่ววูบ อารมณ์ชั่วเนี่ยไม่ได้พัดตลอดเวลาเพราะโดยพื้นฐานแล้วอาจารย์เป็นคนดีมันจะมาชั่วเป็นวุบๆนะฮะเพราอารมณ์ชั่วมันจะพัดตอนไหนตอนที่เราขาดสติพอขาดสติปุ๊บพลังสติไม่พอนะฮะพายุมันมาพัดมาแรงนะฮะพายุของอารมณ์ชั่วเนี่ยนะฮะเห็นไหะลงมือทําตามที่มันสั่งทันทีเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นชีวิตของน้องๆเนี่ยถ้าเราไม่ต้องการความผิดพลาดในชีวิตนะสิ่งที่น้องๆต้องฝึก ต้องมีต้องทําให้เป็นเลยนะครับก็คือการให้มีความรู้สึกตัวให้มีสติทุกทุกขณะของชีวิตอันนี้นะฮะคือยาสามัญประจําชีวิตประจําใจที่จะช่วยให้น้องเนี่ยนะฮะออกจากความทุกข์เป็นถ้ามีความทุกข์นะครับแล้วถ้ามันไม่ต้องทุกข์ก็จะไม่จําเป็นต้องทุกข์การที่ไม่ต้องทุกข์เนี่ยก็คืออะไรมันมีความสุขนั่นเองทุกคนต้องการมีความสุขใช่ไหมใช่เราทําทุกอย่างเพื่อให้มีความสุขทําทุกอย่างเพื่อให้หนีความทุกข์ แต่เราเคยหาความสุขจริงๆเจอไหมเราเคยหนีความทุกข์จริงๆพ้นหรือเปล่าไม่ใช่ตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้เลยอย่าไปแก้ข้างนอกนะฮะอย่าไปแก้ข้างนอกบางทีเรามีปัญหาเนี่ยนะเราพยายามจะไปแก้ข้างนอกนะฮะเวลามีอะไรสักอย่างปัญหาเกิดขึ้นที่ทําให้เราทุกข์ใจเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเรามักจะบอกว่าคนอื่นเนี่ยทำให้เกิดปัญหานะฮะเราชี้ชี้นิ้วไปหาคนอื่นนิ้วเดียวนะแต่อีกสี่นิ้วเนี่ยนะมันหาตัวเองเนี่ยเราไม่รู้ตัวนะ เราก็จะโทษว่ะเองเองเองเเธอเธอเอเอเอมันมันมนมันนะมึงมึงมึงมนะแต่ไม่เคยชี้กูทักทีนะไอตัวร้ายที่สุดเลยก็คือตัวเราอะไรที่มันร้ายที่สุดก็คือใจเราใจเราที่ไม่รู้ตัวใจเราที่ไม่รู้จักตัวเองนี่แหละฮะเป็นเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ในใจนะครน้องๆเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยได้สัมผัสอาการอย่างนี้นะแต่เดี๋ยวขึ้นคลินิกแล้วจะรู้ จะรู้มากขึ้นและถ้าน้องๆออกไปทำงานน้องๆจะรู้ชัดขึ้นและถ้าน้องๆมีครอบครัวเมื่อไหร่มีลูกเมื่อไหร่นะจะชัดแจ๋วเลยนะฮะจะชัดแจ๋วเลยนะฮะอาจารย์ยิ้มกันใหญ่เพราะอาจารย์มีประสบการณ์นะน้องๆอาจจะฟังแล้วมันจะเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเราไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยนะฮะแต่บอกเผื่อไว้ก่อนนะฮะผมต้องบอกไงว่าน้องๆเป็นผู้ที่มีบุญเพราะว่าได้มีโอกาสในการเตรียมตัว นะได้ยินได้ฟังแล้วเราสามารถที่จะทําความเข้าใจกับตรงนี้ได้แล้วเนี่ยนะฮะที่เหลือเราจะสามารถนําไปใช้ในชีวิตของเราได้จริงๆการมีสติสะพันัญญาเนี่ยเหมือนยาสามัญประจําใจเอาไว้รักษาโรคทางจิตใจนะครับเอาไว้รักษาโรคทางด้านจิตใจโดยเฉพาะโรคทุกข์ทั้งหลายโรคความไม่ตกกังวลทั้งหลายโรคขี้เกียจโรคเบื่อหน่ายโรคท้อแท้สิ้นหวังโรคอิจฉาลิสยาพยาบาทโรคสารพัดโรคที่มันจะมาเบียดเบียนใจเราเนี่ยนะซึ่งน้องๆเนี่ย จะต้องเจอกับมันแน่ๆนะครับในสังคมของการเรียนในสังคมของการทำงานไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าอาการมันจะปรากฏเด่นชัดหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับความโกรธความเกลียดความอิจฉาดิษยาพยาบาทงดหงิดท้อแท้เซงซึมเศร้าสารพัโลกทางใจเนี่ยนะถ้าไม่มียาสติเป็นยาสามัญประจาใจไว้เนยนะหลอดยากนะครับหลอดยากตัวผมเองเนี่ยผมพิสูจน์มาแล้ว แล้วตรงจุดนี้เนี่ยนะครมันจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราต้องการทิศทางของชีวิตที่ดีนะฮะตัวนี้เนี่ยจะช่วยเป็นเหมือนหางเสือให้ชีวิตของเราเนี่ยไปสู่ที่ดีงามยิ่งขึ้นไปนะไม่อย่างนั้นนะฮะถ้าเราไม่มีสติสัพพัญญาเนี่ยนะไม่มีความรู้เนื้อรู้ตัวไม่เข้าใจชีวิตของตัวเองจริงๆนะฮะเราจะกลายเป็นชีวิตที่ยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งสูงยิ่งหนาวหนาวทั้งหนาวข้างนอกและหนาวทั้งหนาวข้างในนะครับ สิ่งที่กำลังจะถ่ายทอดให้น้องๆต่อไปก็คือการเจริญสติหรือการทำยังไงให้มีสติให้มันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานะครับ